ระธรรมเทศนาแผ่นที่110รลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าระดมทุนทอดกะถินพระในวัดของเราทั้งหมด45รูปสัมมเน็นหนึ่งรูป พระลุงมาฉันวันนี้สามสิบสองรูปงดไม่ฉันสิบสี่รูปขนาดท่านฉันเมื่อเดียวท่านยังอดอาหารอีกนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่วันจันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2560้ากถ้านึกย้อนหลังหนึ่งเดือนเราเซ็นสัญญา เจดีของหลวงตาวันนี้แหละได้หนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนพอดีแต่ตามสัญญาสามสิบเดือนเจดี JD ของหลวงตาสามสิบเดือนแต่เราเซ็นสัญญาแปลว่าเดือนหนึ่งหมดไปแล้วยังอยู่ยี่สิบเก้าเดือน แ้วก็ได้ทราบข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าวัดปาบ้านตาดปีนี้ไม่มีผู้ใดจองกระถินกระถินว่างและก็พร้อมกันคณะกรรมการกเลยเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการทอดกระถินสามัคคีที่วัดปาบ้านตาดปีนี้ รวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยนะไม่ใช่แต่คณะสัทยาญาณโยมลุกศิษย์ของหลวงตาทุกหมู่ทุกเหล่าเหมือนกับการทอดกรถินเมื่อลุงตายังสงทัดขันอยู่ลงลุงตายสงทัดขันอยู่ท่านก็อนทอดกรถินสามคัคคีเพื่อหาทองคําเข้าคลังหลวงหลวงตาเป็นประธานจากนั้นบรรดาสิบญาณุสิทธิ์ทั้งหลายก็รวมกัน แต่สมัยนั้นวัดของเราก็ทุ่มอย่างเต็มที่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดทองคำได้ตั้งสามสิบกกิโลเมื่อคราวนั้นนะครั้งนั้นนะให้ไปตรวจดูก็ได้มีเรามีบันทึกไว้อยู่คณะคณนะกลุ่มของเราคณะศิษย์ยองของเราคณะสัตธาญาจงของเรารวมกันหลวงตาบอกว่า เป็นผ้าป่าแปดหมื่นแปดหมื่นสี่พันกองกองละแปดพันบาทเพื่อจะหาทองขับเข้าคลังหลวงเกินนะเกินเป้าปีนั้นน่ะแต่ว่าปีนี้เขาก็คณะกรรมการทางวัดป่าบ้านตากโดยโดยหลวงพ่อจุดใจทันธรมโนเป็นผู้อนุมัติคณะกรรมการเขาคงจะประกาศอีกไม่กี่วัน บรรดาให้สิทธานุสิตทั้งหลายได้รับรูรับราบแต่เขาก็บอกว่าข่าวนี้ผ้าหมื่นแปดหมื่นสี่พันกองเหมือนกันแต่บอกขอกองละสามพันสำหรับให้คณะสัตายาญาติโยมลูกหลานพอที่จะทำได้แต่ว่าการทอดผ้าป่าในข่าวนี้ครั้งทอดกระถิน่นในข่าวนี้ครั้งนี้มีความหมายคือพวกเราจะร่วมกัน ถอดใจออกมาเพื่อจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าอ้ไม่ใช่เซ็นสัญญาแล้วเหรอเงินก็ตั้งห้าร้อยกว่าล้านเพียงพออันนั้นก็ใช่ถูกต้องเพราะว่าการสร้างเซ็นสัญญาคราวที่แล้วเมื่อวันที่สิบเจ็ดวันนี้ละเดือนหนึ่งเซ็นสัญญากัน เยดีกับพระวิหารแต่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์แต่พอพิพิธภัณฑ์นั้นอย่างอย่างออกแบบยังไม่เสร็จเพราะว่ายางแต่ตัวอาคารไม่มีปัญหาเพียงแต่เพียนตวขยายจะเอากว้างแคบขนาดไหนถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่จะนำเข้ามาข้างในน่ะ พอมาโชงหรือมาแสดงข้างในนั่นอ่ะมีอะไรบ้างมีมากน้อยกี่ชิ้นกี่อย่างกี่เรื่องราวอันนั้นทั้งสถาฟเปน็นเขาต้องคิดในหลายละเอียดเพราะนั้นในจุดนั้นจุดที่ว่าคิดในหลายละเอียดที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังก็เหมือนกับว่าเราจะตัดเสื้อใส่คนเราต้องมองเห็นคนก่อนเราจึงตัดเสื้อใส่ให้เขาได้ ไม่ใช่ว่าได้ชื่อว่าคนแล้วก็ได้ยินมาเสียงคนแล้วก็ยังไม่เห็นตัวเราก็ตัดเสื้อตัดกางเกงให้เขาเลยบางทีตัวหของเขาโตตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวผอมมันก็ไม่ถูกทางนั้นเพราะนั้นเขาจึงอยากจะรู้ว่าเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยะตัวนี้เขากำลังตรวจตรากันอยู่ เานั้นจึงไม่ได้เซ็นสัญญาแต่เอาเถอะเมื่อจบแล้วมันก็ต้องได้ใช้เงินจนํานวนนี้แต่จะได้เงินจนํานวนนี้ที่เราเซ็นสัญญาทั้งหมดมันก็ยังเหลือเงินอยู่ประมาณสี่สิบกว่าล้านอ่ะเงินห้าร้อยสาสิบเจ็ดล้านห้าร้อยสมสิบเ็ดล้านเซ็นสัญญาไปแล้วหนึ190่งร้อยเก้าสิบล้านสี่ร้อยเก้าสิบล้าน ยังเหลือเงินอยู่40สกว่าล้านคิดว่าไม่พอแนะ่สำหรับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะนั้นคณะสิทธิานุสิ์คณะกรรมการผู้ดำเนินงา น, นของเขาเขาก็เลยคิดเขาไปกาบเรียนหลวงพ่อสุดใจว่ากรถินปีนี้วัดป่บบบบาบ้านตาดไม่มีเจ้าภาพก็ควรจะเป็นคณะสงฆ์คณะสิทธิานุสิท์ทุกหมู่ทุกเหล่าพร้อมกับคณะสั า, สาญาติโยมรวมกัน เพื่อหาทุนสร้างพิพิธภัณฑ์เนื้อหาสารธรรมะขององค์หลวงตาคงงบแต่ฟังๆดูแล้วกองไม่น่าจะต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยล้านนะพอตก่อนมันสี่ร้อยกว่าล้านนะ่ะตอนนี้น่าไม่น่าจะไม่เกินก็คงจะไม่เกินมากขาดก็คงจะไม่ขาดมาก่ะจุ่พ่อกะได้ใจนะอันนี้ แปลว่วาวิศวกะนะเปลี่ยนตวกะไว้นะยังยังไม่ได้พูดเป็นจริงเป็นจังอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะให้พวกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายฟังเอาไว้แต่พอหัือไม่พอแน่นะแต่ถึงยังไงก็ขอประกาศให้คณะรัฐา ย, ยาธิโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้มองเมื่อได้ยินเสียงประกาศทางวัดฝ่าวัดตาดแล้วก็นะั่นอย่างวัดของเราเนี่ยเราก็ฟังเหมือนกัน ฟังมาจะทางวัดป่าบ้านตาดเขาจะสร้างขึ้นมาแล้วเราควรจะรวมกันแต่ไม่มีเงินถึงสามพันเราจะทํายังไงหลวงพ่อไม่ว่ากันนะรวมกันหลายหลายคนก็ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีของท่านก็ได้เดี๋ยวท่านคงจะประกาศออกมาประกาศออกมาเขาเนี่ยเป็นประกาศออกมาเป็นบัญชีพิเศษนะบัญชีกรถินเท่านั้นนะนะกระถินสามคคีปี2560 เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวเฮ้ยกันละเราก็คงจะรวบ ร, ว ม, ร, ว, มรวมกันอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับผู้รับทราบนะแต่สึ่งพอทราบมาคิดว่านแน่นอนแล้วล่ะคงจะมีการทอดกรถิ่นสามัคคีพร้อมกันคณะสงฆ์คณะสัตยาติโยมที่เป็นสิทธิอนุสิตขององค์หลวงตาที่รักเคารพศรัทธาในองค์หลวงตานะ ถ้าว่าไม่มีศรัทธาที่จะสร้างเจดีย์ก็ไม่ว่ากันเพราะนาน า, นาคิดต่างนานาทัศนะเพราะผู้ที่มีศรัทธาแล้วเอออ้าวช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ที่ย่างไงถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงตาแล้วก็น่าจะหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผู้นผู้ใดมันเป็นของพวกสิทธิญาณุสิทธิ์คงจะมีความ เพราะเต็มอกเต็มใจแล้วว่ามีความปลื้มใจในการสร้างปูชาพระคุณหลวงตาถึงจะสร้างที่ไหนๆก็ช่างเพื่อบูชาพระคุณของหลวงตากันล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างที่ เ, เขาสร้างพระเจดีย์ในประเทศพม่ามีมากไหมถ้าไปดูแล้วก็โหทะเลเจดีย์ครัว่าทะเลคือการมองขึ้นไปทางภูเขา เต็มไปหมดเลยอันนี้หลวงพ่อยังไม่ไปนะอันนี้เขาพูดนะแล้วก็ทั้งสีลังกาพมา่าประเทศลาวประเทศเวียดนามที่ไหนๆเขาก็สร้างกันเต็มไปหมดเชี่ยงช่างปูชาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เฉพาะเจงจุดใดจุดหนึ่งถ้าคนนะังสร้างไม่ได้ไม่โทกจ้างเฉพาะที่เดียวเท่านี้ละ <c oughs> ก็ไม่นา จ, จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นให้พวกเราต้องเปิดใจให้กว้างเราจะสร้างเจดีย์ลุงตาภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคไหนๆหลวงพ่อเองอยากจะให้สร้างทุกจังหวัดช่วยซ้ําไปนะพอถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาลุงตายมีทุกจังหวัดนะควรจะสร้างขึ้นมาเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชานะถ้าหาว่าอย่างาไปกราบลุงตายเจดีย์ลุงตาโอ้ไกลเกินไปวะ่ะ แถบนายูงของเราเนี่ยน่าจะสร้างเจดีย์ขนาดย่อมๆขึ้นมาเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระธาตุของหลวงตาเพื่อได้การาบไหว้แล้วก็เป็นทมคำสอนของหลวงตาอีกก็จะเกิดประโยชน์ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าพวกเราไปไกลเสียน้ามันรถไปมากแต่มีผู้คิดสร้างขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ทุกแห่งหนน่นสร้างคุณงามความดีถึงจะสร้างอยู่ใน ที่ไหนๆก็คือสร้างคุณงามความดีนะถ้าทําความชั่วต้งจะทําอยู่ที่ไหนโย น, นบอดบนยอดภูเขาบนหอปราสาทบนตึกหลายๆชั้นอยู่ชั้นบนสูงๆก็ตามนะก็คือความชั่วนะเมื่อความทําความชั่วที่ไหนทําที่ไหนมันก็ชั่วตลอดไปการสร้างคุณงามความดีก็เหมือนกัน เราทำรัสถานที่ใดอยู่รัสถานที่ใดทำความดีไปมุดอยู่ในถ้ำไปนั่งภาวนาพทุพโทโธพุทโธดูใจของตนเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแ ก, ก่เห็นความเกิดความดับความเกิดความเสื่อมเห็นการเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ถึงจะอยู่ในถ้ำอยู่ณสถานที่ใดก็ดีทั้งนั้นเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะอะไเพราะเราทําความดีนะถ้าทําความชั่วตรงกันข้ามนะถึงจะทําที่ไหนมันก็ชั่วเพราะนั้นให้พวกเราคิดอย่างนั้นนะทำที่ไหนสร้างเจดีของหลวงตาที่ไหนก็ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทําดีไห ม, ไมทำไมทาให้มีกําลังกระยาทำ ถ้าทำขึ้นมาแล้วเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอา้าถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ไม่เป็นการเดือดร้อนคนอื่นเหรออันนี้เราก็ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนนะถ้าหาว่าใครจะมาร่วมสมทบเห็นว่าเห็นคุณค่ า, เ, าเห็นว่าหลวงตาเนี่ยมีประโยชน์เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรกรเมื่อท่านจดงทำท่านเทศนาว่าการ ธรรมเทศนาของท่านที่เราได้อ่านได้ศึกษาแเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเออธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมากแสดงว่าเราได้รับยอมรับในทำคําสอนของหลวงตาจากนั้นเราเมื่อลุงตาจุดตินิทะพานไปแล้วนะเราก็อยู่เบื้องหลังเราก็ควรแสดงความกตัญญูกตกเวทิตาคือทดแทนพระคุณของท่านที่เราได้รับรั รับรู้รับทราบธรรมะของท่านอที่เราได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลในการประพฤติปฏิบัติของในธรรมะขององค์หลวงตาเนี่ยอันนี้ก็คือผู้ผู้แสดงความเอกตัญญูกตวเวทีตาต่อองค์หลวงตาเน่ยก็ไม่น่าจะผิดที่ตรงไหนคนนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะถ้าว่าใครมองไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วของหลวงตา หลงตาไม่ดีหลงตามีแต่ความไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็ไม่ทำนะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะไม่เลื่อมใสศรัทธาเมื่อก็มีอยู่ในโลกนี่แหละขนาดพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเชื้อพระวงเดียวกันเป็นสองพี่น้องอีกต่างหากทั้งที่บวชกับพระพุทธเจ้าอีกต่างหากยังจะมาคิดฆ่ากันอีกต่างหากเนี่แหละมันเป็นมาแต่ยุคสมัยไหนต่อสมัยไหน ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในตำรับตาราก็คงจะมีมากต่อมากเหมือนกันอันนี้เราบันทึกในพในระไตรปิฎกออพอได้ยินแล้วก็เราก็ยั ง, งไม่น่าจะเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีตะสอนให้รู้จักมีเมตตาต่อกันรักเมตตากันเคารพตามขั้นอภุสโสพันเตต่อกัน ไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างตายอก็ไม่เห็นจะอยู่โชคฟ้าดินสลายแต่ที่ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ตายด้วยกันทั้งนั้นน่าจะเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของตนเองนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะอสิ่ง อ, งอื่นะถึงจะแพ้ถึงจะชนะก็พูดที่ขี้วัดเองตัวเองชนะน่ะ อ, อก็อีกไม่นานอก เ, อเดี๋ยวจะเห็นฟันหลุดเดี๋ยวจะเห็นหนังเหี่ยวเดินจะเห็นตาฝ้าฟัง เดี๋ยวไปเห็นหงตึงิ<ม>เดี๋ยวไยเห็นไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะชนะไหมถามจะเอาชนะอีกไหมถามดูสิเอถ้าถามยังไงเหมือนกับเย้ยยันะตามไม่จริงมันเย้ยยันพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วจะชนะไปเพื่ออะไรชนะกิเลสตัวเองน่ะดีที่สุดเอาชนะความชั่วตัวเองน่ะดีที่สุดเออเอาชนะกิเลสบาปกรรมดีที่สุด ให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากแล้วก็ให้ห น, นีจากความชัวนะ่วดีที่สุดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกกท่านนะคณะัทายาดโดิโยมทุกคนนะอันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งคือบอกประกาศศรัทธายาติโยมให้ฟังนะคงจะฟังทางสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาบ้านตาดนเะนะนะขาคงจะประกาศเอาเป็นละห ล, ล, ล, ลอกละลอกแะตอนนี้ไปเพราะงานกระถินนะเป็นงานใหญ่แต่ถึงยังไงก็ ตามปกติกรถินวัดป่าบ้านตาดนะเมื่อออกพรรษาแล้วนะเสาอาทิตย์แรกเนะหลวงตาท่านประกาศว่าเสาอาทิตย์แรกเป็นวันเสาแรกของวันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันทอดกรถินวัดป่าบ้านตาดพอวันอาทิตย์ต่อมากเป็นวัดสาขาละไรตัวไหนอย่างวัดของเราเนี่ยก็เนี่ยวัดหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงปู่อุ่นหลวงปู่ที่ไหนต่อที่ไหน ที่ท่านมีกระถินนะ่ะ เ, เขาพอว่าคนมาทอดวัดป่าบ้านตาเตดเสร็จแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากลุ่มเก่า เ, าเพื่อมาทอดแล้วก็กระจายไปตทอดตามวัดต่างๆที่เป็นวัดสาขานะเพื่อไม่ให้เสียเวลาผู้ที่เขามาทําบุญให้มาจุเดียวแล้วก็จบไปเลยอันนี้ลูกพวกเราก็น่ะน้อมรับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวัดป่าน่าคําน้อยของเราในก่อเนี่ยนะ เราจะต้องเอาวันอาทิตย์ถัดจากองค์หลวงตาเกือบทุกปีนะเว้นเสียจะเป็นกรณีพิเศษบางอย่างนะปีนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะบรรดาศ์ก็คงจะยึดตามแนวแถวอย่างเก่ากระมังนะแต่หลวงพ่อก็ให้คําแนะนําเหมือนกันนะท่านวันอาทิตหลวงพ่อได้ยินมาเมาื่อวานหลวงพ่อบอกเอ๊ะถ้าเป็นแนวแถวหลวงพ่อนะ่ยถ้าขยับไปก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อก็คิดในใจแต่ยังไม่ได้ ถามไปทางคณะกรรมการที่เป็นกิจลักษณะนะพอใหญ่บอกหลวงพ่อบอกว่าให้วัดอื่นๆวัดสาขาเนะี่ยทอดกระถินซะก่อนได้จะตูกปัจจัยในวัดกองแต่ละวัดซะก่อนแล้วก็ไปรวมกันทอดเพื่อสร้างเจดียด์ขององค์หลวงตาเนะี่ยก็คงจะดีมั้งแต่ถึงยังไงก็ แต่สุดแท้แต่คณะกรรมการเขาจะเห็นพ้องต้องกันอย่างไรเพราะมันเป็นผู้บริหารเรามีแต่กองเสียข้างนอกนะกองเสียเอาย่างไงคณะกรรมการเขาตัดสินใจอย่างไงเราคนที่จะน้อมรับยอมรับในคณะกรรมการของเขาทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็ว่าเราทําเพื่อจิเพื่อลงตา สร้างกจดีเพื่อหลวงพระคุณเพื่อทดแทนพระคุณหลวงตาเพื่อเป็นบุญเป็นคุณสนของพวกเราท่นทานทั้งหลายหลวงตาเป็นใครเราก็รู้หลวงตาก็ประกาศองค์หลวงตาอยู่แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตาการนะไม่มีเหยียบแผ่นดินอีกเลยนะพูดง่ายๆก็รู้แต่ก็ประกาศอย่างนั้นึ้นมาแล้ว พวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์เชื่อในองค์หลวงตาเราก็จะทำยังไงถึงจุดหลวงตาความบริสุทธิ์หลวงตาหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปแล้วแต่กระดูกอธิธานของท่านยังอยู่ในโลก เ, เราก็ควรจะเชิดชูบูชาให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหวนานเท่านานเรากคดด็คิดได้เพียงแค่นั้นละ่ะเพื่อบูชาพระคุณของท่าน เอาวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณัต่นี้นะ